ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสไว้ว่าเมตตาธรรมคำจุนโลกโลกจะอยู่กันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุดอยู่กันด้วยความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองโลกจำเป็นจะต้องมีเมตตาธรรมต่อกันสาโลกคือมนุษย์และเดรัจฉาน ที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างโ่วมเย็นเป็นสุกนี้ต้องมีความเมตตาเพราะถ้าขาดความเมตตาแล้วโลกนี้ก็จะกลายเป็นนรบขึ้นมาดังนั้นพุทธเจ้าจึงสงสอนให้พุทธศาสนิกชนมันแผ่เมตตาอยู่เรื่อยๆการแผ่เมตตานี้ไม่ได้แผ่แบบที่เราคิดกันคือเราคิดว่า เรานั่งสวดมนต์เสร็จแล้วเราก็สวดแผ่เมตตาสัพเพสัตตาอเวราหงนตุสัพเพสัตตาอัปยาป ช, ชาหอนตุเป็นต้นการแผ่แบบนี้ยังไม่ได้ถือว่าเป็นการแผ่จริงเป็นการซ้อมแผ่คือให้เราเตรียมตัวเตรียมใจไม่ให้จองเวรผู้อื่น ไม่ให้เบียดเบียนผู้อื่นให้มีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นคืออยากให้ผู้อื่นมีความสุขอยากให้ผู้อื่นปราศจากความทุกข์ถ้าเราไม่ซ้อมไว้ก่อนไม่เตรียมไว้ก่อนก็เหมือนกับนักมวยที่ไม่ซ้อมชกก่อนพอขึ้นเวทีก็จะชกไม่ออกพอชกไม่ออกก็จะถูกคู่ต่อสู้ คือความโกรธความเกลียดความอาคาดพยาบาทความคิดร้ายต่อผู้อื่นเข้ามาทำหน้าที่แทนเช่นเวลาใครทำให้เราไม่พอใจทำให้เราโกรธเราทำอย่างไรเราแผ่ความอาฆาตพยาบาทไปเลยเราพูดจาด้วยคำวาจาที่ไม่สุภาพและเราอาจจะทำ สิ่งที่เสียหายให้แก่ผู้นนั่นก็เป็นเพราะว่าเราไม่เคยซ้อมแผ่เมตตากันไม่ก่อนการซ้อมจริงๆเราต้องจำลองเหตุการณ์คิดถึงเวลาที่มีใครมาทำให้เราโกรธแล้วเราแผ่เมตตาได้หรือเปล่าก็คือไม่โกรธเขาได้หรือเปล่าให้อภัยเขาได้หรือเปล่า นี่แหละคือวิธีแผ่เมตตาไม่ว่าใครทำอะไรให้กับเราจะร้ายกาจเพียงไรเราต้องแผ่เมตตาให้ได้เราต้องให้อภัยให้ได้ต้องไม่จองเวรให้ได้เพราะถ้าเราทำได้แล้วใจของเราจะเย็นใจของเราจะสงบจะมีความสุขเหมือนเดิมเหมือนตอนก่อนที่เขามาทำร้ายเรา ถ้าเราแผ่ไม่ออกเราก็จะพูดไม่ดีทำไม่ดีแล้วก็จะทำให้เขาตอบโต้กลับมาพูดไม่ดีทำไม่ดีกับเราอีกถ้าต่างฝ่ายต่างไม่แผ่เมตตาปล่อยให้ความโกรธเกลียดความแค้นถ่ายทอดออกมาทางกายทางวาจาเดี๋ยวก็ต้องเกิดสงครามเกินขึ้นมา เกิดการฆ่าฟันกันขึ้นมาไม่เกิดความสงบสุขไม่เกิดประโยชน์เลยถ้าเราไม่แผ่เมตตากันแต่ถ้าเราแผ่เมตตาเขาทำอะไรไม่ดีเขาพูดอะไรไม่ดีเราก็ไม่ถือสายกโทษให้อภัยเราต้องการความเมตตาเพราะความเมตตาทำให้จิตใจเราสูง ทำให้จิตใจของเราดีนะเพราะอานิสงส์ของผู้มีความเมตตานี้มีหลายอย่าง mm. เช่นจะอยู่อย่างมีความสุขไม่ว่าจะตื่นหรือกำลับ mm. ก็จะมีความสุขเวลานอนหลับก็จะไม่ฝันร้ายจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย mm. จะไม่ตายด้วยสัตววุธต่างๆ หรือยาพิษต่างๆเพราะไม่มีใครเขาจะคิดร้ายกับเราเพราะเราไม่ไปทำให้เขาโกรธเขาเกลียดเรานั่นเองเขาจึงไม่คิดที่จะทำร้ายเราด้วยอาวุธหรือยาพิษต่างๆแล้วเมื่อถึงเวลาที่เราตายจากโลกนี้ไปเราก็จะไปสู่สุคติ คือไปสวรรค์ชั้นต่างๆเป็นต้นนี่แหละคือคุณภาพหรืออนุภาพของความเมตตาทำให้เราอยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขเวลาเราจากโลกนี้ไปเราก็จะได้ไปสวรรค์เราจะไม่ไปอบายโดยเด็ดขาดเพราะอานาจของเมตตาธรรมนี้ จะทําให้เราไม่เบียดเบียนผู้อื่นคือเราจะไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่โกหกหลอกลวงไม่เสพสุรายาเมาและอบายามุขต่างๆเพราะจะทําให้เราต้องไปทําบาปทํากรรมต่อผู้อื่นในวาระต่อมานี่คือเรื่องของการแผ่เมตตา แผ่เมตตาด้วยการให้มาเนีญาโยมาแผ่เมตตาด้วยการให้มาแผ่เมตตาด้วยการละเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนเช่นฆ่าผู้อื่นลักทรัพย์ของผู้อื่นประพฤติผิดประเวณีไปย่างสามีภรรยาของผู้อื่นละเว้นจากการหลอกลวงพูดปดมดเท็ด ให้ผู้อื่นเขาเสียหายนี่คือการแผ่เมตตาที่แท้จริงต้องแผ่ด้วยการกระทำทางกายทางวาจาโดยใช้ใจเป็นผู้เริเกร้องนี่คือวิธีที่เราควรจะแผ่กันวันนี้เรามาแผ่เมตตาด้วยการให้ การให้ก็คือเรามีความปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุขจากการกระทําของเรานั่นเองวันนี้เราเลยเอากับข้าวกับปลาอาหารขาวหวานเครื่องใช้ไม่สอยจะตุก ป, ปัจจัยเงินทองมาถวายให้กับพระภิกษุสามนเณรถวายให้กับวัดเพื่อเป็นการทานุบา ร, รุงพระพุทธศาสนา เพื่อให้พระภิกษุสมมามเณรที่อยู่ในวัดนี้อยู่อย่างมีความสุขเพราะมีปัจจัยสี่ครบบริบูรณ์ไม่อัตคัดขัดสนไม่เดือดร้อนนี่เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาด้วยการให้ทานนอกจากการให้ข้าวของต่างๆแล้วที่เรียกว่าวัตถุทาน เรายังให้อย่างอื่นได้ถ้าเราไม่มีวัตถุทานเรามีความรู้วิชาเราแผ่ให้แก่ผู้อื่นได้เรียกว่าวิทยาทานเช่นเรามีความรู้ทางด้านใดด้านหนึ่ง mm. เช่นรู้ภาษาอังกฤษรู้ภาษารัเสเซียรู้วิชาคณิตศาสตร์รู้วิชาอะไรต่างๆเราก็เอามาสอนเด็ก กวดวิชาให้กับเด็กโดยที่เราไม่เก็บเงินเก็บทองอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาอีกรูปแบบหนึ่งคือการให้วิชาความรู้เรียกว่าวิทยาทานการให้อีกแบบหนึ่งก็คือการให้อภัยอย่างที่ได้แสดงไว้ก่อนหน้านี้แล้วเวลาใครทำให้เรากรโกรธแค้นโกรธเคือง เราก็ให้อภัยยกโทษไม่ถือสาคิดว่าเป็นเหมือนเล่นกับฟันเราอยู่ด้วยกันในโลกนี้ย่อมมีการกระทบกระทั่งกันเป็นธรรมดาแต่เราไม่จำเป็นที่จะต้องทำให้ความเสียหายมันขยายกว้างขวางออกไปถ้าเราให้อภัยเราไม่ถือโทษกอดเถือผลเสียหายก็จะมีเพียง ที่เราเท่านั้นคือเราก็เสียไปแล้วเขาทำอะไรเราก็เสียไปแล้วอย่าเสียสองต่ออย่าเสียของแล้วต้องมาเสียใจเสียใจด้วยความโกรธด้วยความเกลียดด้วยความอาฆาตพยาบาทเราสามารถรักษาใจเราได้ไม่ให้เสียได้ด้วยการแผ่เมตตา ด้วยการให้อภัยนี่ก็คือการให้อีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอาภัยทาน<ม>การให้สิ่งสุดท้ายที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเหนือการให้ทั้งปวงคืออะไรก็คือการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงเพราะเหตุใดการให้ธรรมะจึงถือว่าเป็นการให้ที่เหนือกว่าความให้ทั้งหลาย เพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่เราให้แก่ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นวัตถุเข้าของเงินทองที่เรียกว่าวัตถุทานหรือวิทยาทานหรืออภัยทานก็สู้ให้ธรรมะไม่ได้เพราะธรรมะนี้ทำให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ไม่มีอะไรในโลกนี้ ที่จะทำให้พวกเราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นอกจากธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นดังนั้นถ้าเรามีธรรมะเราอยากจะให้ผู้อื่นเขาได้หลุดพ้นจากความทุกข์อาจจะไม่หลุดพ้นหมดเลยแต่อย่างน้อยก็ทําให้ทุกข์ของเขาเบ า, เบาลงไปบางลงไปเวลาใครมาปรับทุกข์กับเรา เราก็เอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนเขาเช่นเวลาเขาโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทกินไม่ได้นอนไม่หลับก็เอาเมตตาธรรมที่พระเจ้าทรงสอนมาสอนเขาบอกเขาว่าการให้เมตตานี้จะทำให้ใจเราหายโกรธจะทำให้ใจเรากลับมามีความสุขเหมือนเดิมการที่ไปทำร้ายผู้อื่น กลับจะทำให้ใจเราทุกร้อนเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะว่าให้อะไรแก่ผู้อื่นสิ่งนั้นก็จะกลับมาหาเราให้ความสุขแก่ผู้อื่นความสุขก็จะกลับมาหาเราให้ความทุกข์แก่ผู้อื่นความทุกข์ก็จะกลับมาหาเราถ้าเขาฟังแล้วเขาเข้าใจแล้วเขาให้อภัยได้เขาหยุดการอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมได้ เขาก็หายทุกข์แล้วเขาก็ไม่ต้องไปสร้างเวรสร้างกรรมไม่ต้องไปรอรับผลเวรผลกรรมอีกทีหนึ่งนี่คือการให้ธรรมะเป็นการให้ที่ดีที่สุดถ้าเราไม่รู้จักธรรมะแต่เรารู้จักหนังสือธรรมะที่ดีๆที่อ่านแล้วเราได้รับประโยชน์ทำให้ใจของเรามีความสุข ทำให้ดับความทุกข์ต่างๆที่เราเคยมีอยู่ในใจของเราได้เราก็เอาหนังสือนั้นไปเผยแผ่ไปแบ่งปันถ้าเรามีเราอ่านแล้วเราไม่ได้ต้องการจะเก็บเอาไว้เราก็เอาไปแจกใจ่ายให้แก่พูด่นก็เรียกว่าเป็นธรรมทานอย่างหนึ่งหรือว่าถ้าเราร่วมบ่อยจากทุนนะัพย์ เพื่อพิมพ์หนังสือธรรมะดีๆเพื่อเอาไปเผยแพร่แจกจ่ายให้แก่ผู้อื่นเป็นธรรมทานอย่างนี้ก็ถือว่าได้ธรรมทานเช่นเดียวกันแต่เราไม่ควรจะเอาหนังสือธรรมะที่เข า, จาแจกแเอาไปแจกให้คนอื่นอีกต่อหนึ่งเพราะอันนี้มันเสี่ยงต่อการสร้างความโลภขึ้นมาภายในใจ เราควรจะเอาหนังสือธรรมะเฉพาะตัวเราดีกว่าแล้วถ้าเราอ่านเสร็จแล้วเราเห็นว่าหนังสือเล่มนี้ดีเราอยากจะให้ผู้อื่นเราก็ให้เล่มของเราไปอย่างนี้เราจะได้บุญได้กุศลได้ธรรมทานแต่ถ้าเราไปเอาหนังสือที่เขาแจากแล้วเราไปหยิบเกินปริมาณที่เราควรจะหยิบเพราะเราอยากจะเอาไปให้ผู้อื่น อย่างนี้เป็นการเกิดความโลภขึ้นมาถ้าเราอยากจะเอาไปให้ผู้อื่นเราก็ควรบริจาครั์เพื่อจ่ายเป็นค่าพิมพ์หนังสือเล่มที่เราจะเอาไปให้ผู้อย่างนี้ก็ยังพอจะถือว่าเป็นธรรมทานอยู่ไม่มีความโลภแต่ถ้าเราเอาของแจกไปแบบฟรีฟ เอาไปแบบมากเกินความจำเป็นสำหรับตัวเราอย่างนี้เรียกว่าเป็นความโลภแล้วผลผลดีผลดีที่ได้จะไม่คุ้มกับผลเสียที่ได้ได้ทานได้การให้แต่ได้ความโลภกลับมาซึ่งเป็นตัวร้ายกาศที่กำจัดยากอย่างยิ่งเราจึงต้องระมัดระวัง เวลาเราไปที่ไหนที่เขามีการแจกจ่ายข้าวของเช่นอาหารที่เขาให้เรารับประทานเวลามาวัดบางทีเขาก็เปิดลงทานกันเราควรจะรับประทานพอประมาณพออิ่มอย่าไปรับประทานเพราะความอยากเห็นเขาแจกอาหารชนิดนั้นชนิดนี้หลากหลายรายการก็รับมาหมด แลวรับประทานได้คำสองคาก็ทิ้งไปอาหารก็จะบูดเน่าไม่เกิดประโยชน์อะไรคนที่ค้นเขาควรจะได้รับประทานอาหารก็จะไม่ได้รับคนที่เข้ามาทีหลังเรามาสายกว่าเราแต่ถ้าเรารับประทานพออิ่มท้องไม่ต้องรับประทานด้วยความอยากอันไหนก็ได้กินเข้าไป การรับประทานนี้ก็รับประทานเพื่อให้อิ่นท้องเท่านั้นเองถ้ารับประทานด้วยความโลภด้วยความอยากนี้ไม่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นอกุศลเพราะจะสร้างกิเลสตัณหาให้มีพลังมากขึ้นแทนที่จะให้กำลังร่างกายของเรามีกำลังวางชาจากการรับประทานอาหารเรากลับมาทําให้กิเลสตัณหามีกําลังวังชามากขึ้น ถ้ากิเลสตัณหามีกำลังมากขึ้นมันก็จะสร้างความทุกข์ให้กับเรามากขึ้นนั่นเองแต่ถ้าเราคอยเบรคอยสกัดกิเลสตัณหาด้วยความมักน้อยสันโดวเวลาเราไปที่โรงทานเวลาเรารับข้าวของที่เขาแจากเรารับเพียงที่เราต้องการเท่านั้นสำหรับตัวเราอย่างนี้ถึงจะเรียกว่ามักน้อยสันโด แต่พอเราเห็นว่าเขาแจกก็เลยคิดถึงเพื่อนของพี่คิดถึงพี่คิดถึงนอ้องถึงแม้ว่าจะเป็นความปรารถนาดีแต่มันก็ยังเป็นความโลภ อ, อย่างนั้นขอให้เราระมัดระวังเวลาเราทำบุญบางทีเราไม่รู้สึกตัวว่าเรากำลังทำสิ่งที่เสียหายกับเราเรากำลังเพิ่มความโลภให้มีมากขึ้นมา เช่นบางทีเราเห็นคนอื่นเขาทำบุญมากๆเราก็อยากจะได้บุญมากมากเหมือนเขาแต่เราไม่มีเงินไม่มีทองที่จะทำเองเราก็ไปทำมาหากินหาเงินหาทองมาเพื่อที่จะมาทาบุญมากๆอย่างนี้ก็ไม่ใช่หลักของการทำบุญการทำบุญนี้ท่านให้เราทำกับเงินทองที่เรามีเหลือกินเหลือใช้ เพื่อสกัดความโลภที่อยากจะมีเงินทองมากๆไม่ได้ให้เราไปหาเงินหาทองมาเพื่อมาทำบุญถ้าเราไม่มีเงินทองทำบุญก็แสดงว่าเราไม่ต้องทำแล้วเรามีหน้าที่อื่นที่เราควรจะทำที่เป็นบุญที่ดีกว่าก็คือการรักษาศีลการปฏิบัติธรรมาถ้าเราเอาเวลาไป หาเงินหาทองมาทำบุญเราก็จะไม่มีเวลามาสร้างบุญที่สูงกว่าก็คือมาปฏิบัติธรรมมารักษาศีลอย่างนั้นถ้าเราไม่มีเงินที่จะทำบุญเราก็ถือว่าหมดหน้าที่แล้วการทำบุญนี้เพื่อสกัดความร่ำรวยความอยากร่ำรวยถ้ามีความอยากร่ำรวยแล้วมันจะไม่มีขอบมีเขต เท่าไห่ถึงจะร่ำรวยได้ล้านหนึ่งร่ำรวยหรือยังพอได้ล้านก็บอกไม่พอแล้วต้องสิบ้านพอได้สิบ้านก็ไม่รวยอีกแล้วต้องร้อยล้านมันก็จะพาให้เราไปหาเงินอยู่ตลอดเวลาจนเราไม่มีเวลาที่จะมารักษาสี่มาปฏิบัติธรรมได้ดังนั้นขอให้เราจงเข้าใจเรื่องของการทาบุญ ว่าเป็นการทําบุญเพื่อกําจัดกิเลสตัณหาเช่นเอาเงินเอาทองมาให้แก่ผูน้นี้เพื่อกําจัดความโลภอยากเลิมอยากรวยอยากมีเงินทองมากๆบางคนคิดว่าทําบุญแล้วจะรวยขึ้นก็เลยอยากจะทําบุญอันนี้ก็เป็นการเดินผิดทางแล้วเพราะทางที่เราต้องไปนั่นคือการกําจัดกิเลสตัณหา ไม่ใช่เป็นการส่งเสริมกิเลสตัณหาดังนั้นเวลาเราทำบุญก็ดีรักษาศีลก็ดีปฏิบัติธรรมก็ดีขอให้เราคอยสังเกตว่าเราทำเพื่อกําจัดกิเลสตัณหาหรือว่าเราทำเพื่อส่งเสริมกิเลสตัณหาให้มีมากขึ้นไปถ้าเราทำส่งเสริมก็แสดงว่าเราเดินผิดทาง ผลที่เราต้องการได้รับคือความร่มเย็นเป็นสุขก็จะไม่เกิดขึ้นมากลับจะมีแต่ความทุกข์ความรุ่มร้อนจิตใจเพราะด้วยอำนาจของความโลภของความอยากต่างๆนี่เองนี่แหละคือสิ่งที่เราควรที่จะทำความเข้าใจเอาไว้เวลาเราอยากจะทำทาน<ม>เช่นทำธรรมทาน เราก็ไปซื้อหนังสือมาแจากเองหรือว่าที่เขามีแจกหนังสือก็ขอเขาร่วมพิมพ์หนังสือแล้วขอรับหนังสือส่วนที่เราร่วมบริจาคนี้ไปแจกให้แก่ผู้อื่นได้อย่างนี้ถึงจะไม่ทำให้เกิดความโลภขึ้นมาจะได้บุญที่บริสุทธิ์ที่สะอาดในทานที่สะอาดไม่ได้ทานที่เคลือบด้วยความโลภ นี่คือเรื่องที่เราควรจะทำกันคือการให้การให้ก็อย่างที่พูดมีอยู่สีชนิดด้วยกันให้วัตถุเรียกว่าวัตถุทานให้วิชาความรู้เรียกว่าวิทยาทานให้อภัยไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่จองเวรจองกรรมเรียกว่าให้อภัยทานและให้ธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าธรรมทาน ถ้าเราให้สิ่งต่ตางๆเหล่านี้ได้อย่างสม่ำเสมอก็เรียกว่าเราได้แผ่เมตตาอย่างแท้จริงไม่เหมือนกับเวลาเรานั่งสวดมนต์และเราสวดสัพเพสัตตาแล้วเราคิดว่าเราได้แผ่แล้วความจริงเราไม่ได้แผ่อะไรเราไม่ได้ให้อะไรกับใครเราต้องให้ข้าวของให้สิ่งที่มีคนมีประโยชน์ ให้สิ่งที่ทาให้ผู้อื่นรับแล้วมีความสุขแล้วเราก็จะได้แผ่เมตตาผู้ที่ได้รับความสุขจากเราเขาก็จะคิดดีกับเราเขาก็จะเป็นเพื่อนเราเขาก็จะรักเราเราก็จะได้รับอานิสงส์ที่สงตัดไว้ว่าจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาและเดรัจฉานทั้งหลาย เกิดจากการให้ความสุขแก่ผู้อื่นนี่แหละเรียกว่าการแผ่เมตตาส่วนการละเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นก็เป็นวิธีแผ่เมตตาอีกแบบหนึ่งคือเราจะไม่ให้ความทุกข์แก่ผู้อื่นไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตามเขาจะทำให้เราเสีย อ, อกเสียใจเสียหายอย่างไรเราก็จะไม่ไปทำร้ายเขา เรียกว่าการแผ่เมตตาด้วยการไม่เบียดเบียนการรักษาศีลห้านี่แหละคือการแผ่เมตตาด้วยการไม่เบียดเบียนผู้อื่นถ้าเราละเว้นจากการฆ่าได้รักทรัพย์ได้ประพฤติผิดประเวณีได้กโกหกหลอกลวงได้ละเว้นจากการเสพสุรายาเมาต่างๆได้เราก็จะไม่ไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อน สร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นเราก็จะไม่มีใครที่จะคิดร้ายกับเราไม่มีใครคิดจะเอาปืนมายิงเราเอามีดมาฆ่าเราเอายาพิษมาใสา่ให้เรากินเพราะเราไม่ได้ไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นนั่นเองนี่แหละเรียกว่าการมาแผ่เมตตามาวัดทุกครั้งนี้ถือว่าเราได้มาแผ่เมตตาอย่างจริงๆง แต่เราไม่ควรแต่จะแผ่เฉพาะที่วัดควรจะแผ่ที่วัดที่บ้านที่ทำงานที่สาธารณะต่างๆเวลาเจอใครก็ควรทักทายพูดวาจาสุภาพอ่อนโยนทำให้ผู้อื่นเขาฟังแล้วมีความสุขเวลาผู้อื่นเขาทำอะไรเสียหายก็ให้อภัยกับเขาทำได้ทุกแห่งทุกคนไม่เฉพาะแต่ที่วัด ที่บ้านยิ่งสำคัญคนใกล้ตัวแล้วเนี่ยสคัญมากเพราะเรามักจะแผ่ยา ก, กับคนที่ใกล้ตัวเราเวลาใครคนใกล้ตัวเราทาอะไรไม่พอใจนี้เราก็จะโกรธขึ้นมา ท, าทันทีถ้าเราแผ่เมตตาได้เราก็จะหายโกรธแล้วเราก็จะอยู่กับเขาอย่างมีความสุขได้ถ้าเราแผ่เมตตาไม่ได้เราจะมีความโกรธเกลียดอยู่ภายในใจ และจะัตเวคุนขึ้นไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็อาจจะต้องแยกทางกันไปดังนั้นถ้าเราอยากจะอยู่กับคู่ครองของเราไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเราต้องหมั่นแผ่เมตตาให้กับคู่ครองของเราเสมอต้องให้อภัยกันเสมออยากถือโทษกอเคืองกันถ้าเราทำได้รับรองได้ว่าเราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเลยนี่คือการมาแผ่เมตตาตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้เราได้อยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุดก็ขอให้ท่านจงนำเอาไปพิจิตพิ จ, จารณาและปฏิบัติเพื่ออนิสงของการแผ่เมตตาที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลา จึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็นกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวรานางสุขภาละโดยทั่วหน้าการเธอ